เรื่องพระโชติกะเทระพระสสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลวูวันทรงปรารบพระโชติกะเทระได้ยินว่าในอดีตกาลกุดุมพีสองพี่น้องในกรุงพารณนสีทำไร่อ้อยเป็นอันมากวันหนึ่งน้องชายไปไร่อ้อยคิดว่าจะให้อ้อยลำหนึ่งแก่พี่ชาย อีกลาหนึ่งเป็นของตนมัดถือเอามาแล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้าที่ภูเขาคันธมาศออกสมาบัติแล้วเห็นเขาในขายพระยานจึงมาสงเคราะห์เขามาด้วยฤตยืนอยู่ข้างหน้าเขาน้องชายลาดผ้าห่มปูพื้นถวายอ้อยแก่ท่านและถวายอ้อยลําที่สองของพี่ชายอีกโดยคิดว่าจะแบ่งบุญให้พี่ชาย หรือก็จักให้กะหาปณะแทนแล้วถวายเขาตั้งปรารถนาว่ารถอันเลิศนี้ใดที่ถวายแล้วด้วยผลอันเลิศนี้ขอพึงสวยทิพยสมบัติมนุสยสมบัติในที่สุดขอพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแหลพระปัจเจกพุทธเจ้ากระทําอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่าอิจจิตังปัฏถิยังตุยหังสมิจตุ ขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้แล้วจงพลันสำเร็จเป็นต้นแล้วเหาะไปโดยอากาศพี่ชายของเขาเลื่อมใสขออนุโมทนาบุญตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมที่พระปั จ, จัยกับพุทธเจ้านั้นเห็นแล้วนั่นแหละพึงมีแก่เรานี้เป็นบุรพักกรรมของชนทั้งสองนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้น ไปสู่เทวโลกพุทธันดอนหนึ่งเคลื่อนจากเทวโลกถือปฏิสนธิด้วยกันในสกุลหนึ่งในนครพันธุมดีในครั้งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นพี่ชายได้ชื่อว่าเสนะน้องชายชื่ออปปราชิตะเห็นอุบาสกไปฟังธรรมที่วิหารได้ตามไปฟังธรรมด้วยแล้ว ฟังทำอนุปภีกถาของพระศัสดาแล้วทูลขอบรรพชาเสนากลับไปลาน้องชายออกบวชแล้วบรรลุอรหัตฝ่ายน้องชายได้ทําศการะใหญ่ให้แก่พี่ชายถวายทานสิ้นเจ็ดวันพระเถระพี่ชายบอกบุญกรรมอันใหญ่แก่น้องชายให้สร้างพระคันตะกุดีสําหรับพระศัสดา น้องชายสร้างถวายแล้วด้วยทองเงินแก้วมณีด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการหลานชายอ้อนวอนขอส่วนบุญเมื่อไม่ได้ส่วนบุญหลานชายนั้นจึงสร้างกุญชรสลาวรูปช้างอยู่ข้างหน้าพระคันธกุดีสำเร็จด้วยแก้วเจ็ดประการเขาเกิดเป็นเมตธกาศเสศถีในพุทธบัตรการพระโคดมพระพุทธเจ้านี้ เมื่อสร้างคันทกุดีเสร็จแล้วบอกพระเทระพี่ชายนิมนต์พระสัส ด, สดาส่งใช้สอยกุฏินั้นเขาโปรยรัตนะทั้งเจ็ดไว้รอบพระคันทกุดีสำหรับมหาชนมาฟังธรรมแล้วนำเอากลับไปด้วยมือกุดุมพีนั้นเมื่อทำการฉลองพระคันทกุดีถวายมหาทานภิกษุ68แ0สนภายในวิหารตลอด9เดือน ถวายตรายจีวรภาษาดกสำหรับทําจีวรของภิกษุใหม่มีค่าถึงพันอราชิตะคุดุมพีเคลื่อนจากอัตภาพนั้นบังเกิดในเทวโลกในพุทธบตัตรการนี้มาบังเกิดเป็นโชติกะเศรษฐีในสกุลเศรษฐีในกรุงราชฤรธ์ชื่อโชติกะเพราะเหตุแห่งพระนครทั้งสิน้นรุงโรดเป็นอันเดียวกัน ในเวลาปลูกเรือนเท้าสักกะเทวราชได้สเสด็จมณีเรมิตรปราสาสต์เจ็ดชั้นและมหาสมบัติทั้งหลายให้เกิดขึ้นด้วยเดชแห่งบุญในอดีตมหาชนแตกตื่นมาชมมหาสมบัติทั้งหลายเขาแจกทรัพย์แก่มหาชนทั้งหลายทรัพย์และรัตนะก็มิได้พร่องไปเลยคงเต็มตามปกติเหมือนอย่างเดิมมิได้พร่องแม้องคุลีเดียว แม้พระราชาพิมพิสารก็ขอชมปราสาทแล้วเหมือนกันพระราชาทอดพระเนตรเรือนเศรษฐีแล้วตรัสว่าสมบัติของโชติกะมากจริงๆแล้วก็เสด็จกลับไป